josho.net ตกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีรไรซ่อนไว้คงทำไม่ได้รู้สึก ไ, ไรแต่กดความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เดียง้พาพ